วันนี้เป็นวันจันทร์ที่20สพฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นวันหยุดเฉยเฉยวันวิสาขาบูชาเป็นวันกำไรบุญเพราะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนเพื่อมีศรัทธาความเชื่อในเรื่องบุญเรื่องกุศล ไม่ต้องไปทำงานทำการกันจึงมีเวลาที่จะมาวัดเพื่อมาทำบุญกันถ้าไม่ใช่เป็นวันหยุดวันนี้ก็ต้องไปทำงานเมื่อไปทำงานก็จะไม่มีเวลามาทำบุญโดยเฉพาะบุญที่ยิ่งใหญ่บุญที่ประเสริฐคือบุญ ที่เกิดจากความสงบของใจที่จะต้องมีเวลาและมีสถานที่ที่เหมาะสมถึงจะสามารถสร้างบุญอันประเสริฐนี้ได้ถ้าไปทำงานทำการจิตใจก็จะต้องไปวุ่นวายกับเรื่องงานเรื่องการต้องมาเครียดกับงานการ ต้องมาวิตกกังวลมีแต่ความทุกข์พอไม่ต้องไปทำงานพอมีเวลามาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาทำใจให้สงบก็จะเกิดบุญขึ้นมาทันทีเกิดความสุขขึ้นมาทันทีบุญชนิดนี้จึงต้องมีเวลาถึงจะทำได้ บุญอย่างอื่นเช่นทำทานแลอรักษาศีลห้านี้ยังพอจะทำได้ในเวลาอื่นในวันที่ทำงานเช่นการทำบุญทำทานสมัยนี้ก็สะดวกง่ายได้ถ้ามีบัญชีเงินฝากมีโทรศัพท์มือถืออยากจะทำบุญก็สามารถทำบุญผ่าน โทรศัพท์มือถือได้เลยคือทําทานบ่อยจากเงินทองส่วนศีลห้าก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะการทํางานก็ไม่ขัดกันรักษาศีลห้าได้ทํางานไปได้ทําทานไปได้แต่ถ้าจะภาวนาเนี้จําเป็นที่จะต้องเป็นวันหยุดทํางานเพราะการถือ การภาวนานี้จะต้องถือศีลแปดเพราะว่าถ้าไม่ถือศีลแปดก็จะภาวนาไม่ได้เพราะจิตใจจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นจิตใจมักจะชอบไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ค่อยชอบเข้าหาความสงบพอมีอุปสรรคขวางกั้นอยู่ ที่เรียกว่านิวรนการที่จะทําใจให้เข้าสู่ความสงบนี้เป็นของยากเพราะมีอุปสรรคคอยความกัน้นอยู่5ประการด้วยกันที่เรียกว่านิวรนห้คือหนึ่งความลังเลสงสัยว่าการนั่งสมาธิแล้วจะทําให้เกิดความสุขที่ประเสริฐเลิศโลกได้จริงหรือไม่ หรืออาจจะสงสัยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่ก็อาจจะไม่อยากจะทุ่มเทความเพียรความพยายามให้ให้กับการปฏิบัติเพื่อทาใจให้สงบนอกจากความลังเลยสงสัยก็ยังมีความอยาก ที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคอยมาขัดขวางอยู่เรื่อยไหนอยากจะกินอาหารค่ําอาหารเย็นหรืออยากจะกินอาหารตามเวลาที่ต้องการถ้าถือศีลแปดก็จะไม่สามารถรับประทานอาหารตามที่ต้องการได้หลังจากเที่ยงวันก็ต้องหยุดมันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึง่ง ก็เคยชินกับการรับประทานกับการดื่มแบบไม่มีกําจัดเวลาไม่มีสถานที่อยากเมื่อไหร่สามารถที่จะตอบสนองความอยากได้เสมอแต่ถ้าจะภาวนาการจะดื่มการจะรับประทานอาหารก็ต้องมีการควบคุมเพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะมาสร้างปัญหา สร้างอุปสรรคให้กับการปฏิบัติได้เช่นถ้ารับประทานอาหารมากเกินไปก็จะสร้างอุปสรรคอีกตัวหนึ่งขึ้นมาคือความง่วงเหงาหานอนเวลากินอิ่มแล้วหนังท้องจะตึงหนังตามักจะหย่อนพอเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งสัพย์ประงกนั่งหลับ นั่งแบบนี้ก็ไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้จึงจำเป็นที่จะต้องควบคุมความอยากทางกามอารมณ์คือทางตาหูจมูกดินกายเคยร่วมหลับนอนกับแฟนก็ต้องหยุดไปพร <Okay. S 1> าถ้าแบบาเอาเวลาไปร่วมหลับนอนกับแฟนก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรม กามาฉันทะนี่ก็คืออุปสรรคข้อที่สองที่เป็นสิ่งที่ทุกๆคนมีกันมีปัญหากันเพราะทุกคนคอยหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระตลอดเวลาดูละครดูภาพยนตร์ไปท่องเที่ยวตามสถานที่เที่ยวต่างๆ มหมหรสบบันเทิงต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จิตใจของปุตุชนทั้งหลายจะนิยมจะชอบทำกันจึงยากต่อการที่จะมาฝึกจิตใจให้สงบถ้าไม่มีความศรัทธาความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้ เป็นสิ่งที่เป็นความจริงที่จะให้เราได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งปวงที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้เพราะความสุขต่างๆที่พวกเรามีกันอยู่ในขณะนี้เหมือนเป็นความสุขแบบใบมิตรกนอนฉาบด้วยน้ําผึ้ง ถ้าลองไปสัมผัสกับน้ำผึ้งที่ฉาบอยู่บนใบมีดโกนก็อาจจะถูกใบมีดโกนบาดปากได้หรือเป็นความสุขแบบปลาที่มีก้างปลาที่มีก้างนั้นถ้ากินไม่รับไม่ระมัดระวังก็อาจจะถูกก้างต่าคอได้ไม่เหมือนกับปลาที่ไม่มีก้าง ความสุขที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราเข้าหากันคือความสงบนี้เป็นความสุขที่ปราศจากความทุกข์เป็นความสุขที่บริสุทธิ์เหมือนปลาที่ไม่มีก้างแต่ความสุขที่พวกเรากำลังหากันอยู่กำลังเสพกันอยู่กำลังสัมผัสกันอยู่นี้เป็นความสุขที่จะมีการล่อง ร้องห่มร้องไห้ตามมามีความเศร้าโศกเสียใจตามมาเพราะเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี่คือศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบความสุขอันเลิศอันประเสริฐ แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจที่จะนำเอาไปปฏิบัติผู้ที่ได้นำเอาไปปฏิบัติก็จะได้สัมผัสกับความสุขอันเลิศอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าคือพาอาาระอรหันตสาวลกทั้งหลายผู้ที่ก่อนที่จะมาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็ติดอยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ก็เห็นว่ามันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาไหนจะทุกข์เพราะความสุขที่ได้มาก็เป็นของชั่วคราวไหนจะมาทุกข์กับเครื่องมือคือร่างกายที่จะต้องเอามาใช้กับการหาความสุขว่าร่างกายก็จะต้องเสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะ เจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิกลพิการไม่สามารถที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ต่อไป mm. ก็เลยหันมาลองทำตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอน mm. มีศรัทธาความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า mm. ก็ไปลองหัดถือศีลแปดกันลองหัดฝึกสติคอยควบคุมความคิดเพื่อทำใจให้สงบกัน แล้วพอได้ปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามไม่ช้าก็เร็วก็จะเข้าถึงความสุขอันนี้ได้เมื่อเข้าถึงความสุขอันนี้ได้ก็ใช้ปัญญารักษาความสุขอันนี้ไว้ให้อยู่อย่างถาวรต่อไปพอมีปัญญาที่จะคอยรักษาความสุขที่เกิดจากความสงบได้อย่างถาวร จิตใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจิตใจก็เป็นจิตของพระอาหารหันตสาวกขึ้นมานี่คือสิ่งที่ผู้ที่จะหาความสุขที่แท้จริงจำเป็นที่จะต้องมีความเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นผู้ที่ได้เข้าถึงความสุขอันเลิศอันประเสริฐนี้แล้วและได้เอา ความรู้อันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกที่ยังไม่รู้อย่างพวกเราถ้าเราอยากจะพบกับความสุขอันเลิศอันประเสริฐนี้เราก็ต้องมีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราหาเวลามาภาวนากันนั่นเองมาทำจิตใจให้สงบ ด้วยสติและมารักษาความสงบที่ได้ด้วยปัญญาให้อยู่ไปได้อย่างถาวรถ้าขาดความเชื่อนี้ก็จะเกิดความลังเลสงสัยหรือเกิดความไม่มั่นใจก็เลยอาจจะไม่มีความยินดีต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาแต่ถ้ามีความศรัทธามีความเชื่อมั่น ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาหาศาลที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมาะเปรียบเทียบได้ถ้ามีความเชื่อมัน่นก็จะเกิดความยินดีเกิดฉันทะวิริยะคือเกิดความพอใจที่จะบำเพ็ญที่จะปฏิบัติ ยินดีที่จะสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้ามีความศรัทธาในระดับนี้แล้วการละกามฉันทะที่เป็นอุปสรรคก็จะง่ายได้ยินดีที่จะอดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอดข้าวเย็นกันอดการร่วมหลับนอนกับคู่ครองอดหาความสุขจากมหรลศบันเทิงต่างๆ อดจากการต้องอดจากการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรด้วยเครื่องสำอางน้ำมันน้ําหอมอะไรต่างๆ <c oughs> แล้วก็ยอมอดหลับอดนอนยอมนอนน้อยๆแล่นอนแบบไม่สบายคือนอนบนพื้นแข็งๆ <c oughs> เพื่อที่จะได้นอนไม่มาก ถ้านอนบนฟูกหนาๆแล้วมันสบายมันจะอยากนอนทั้งๆที่ร่างกายก็ได้พักผ่อนพอแล้วแต่พอตื่นขึ้นมาพอรู้สึกตัวขึ้นมาแทนที่จะลุกขึ้นเพื่อที่จะมานั่งสมาธิก็กขอนอนต่อว่ามันสบายฟูกหนาๆมันนุ่มเหมือนเหมือนได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆเนี่ยพอร่างกาย ได้พักผ่อนพอเพียงแล้วก็จะรู้สึกตัวเตินขึ้นมาพอรู้สึกตัวว่านอนบนพื้นแข็งๆไม่สบายก็จะไม่อยากนอนก็จะรีบลุกขึ้นมานั่งสมาธิดีกว่านันนี้คือการรักษาศีลแปดก็เพื่อที่จะมากำจัดนิวรณ์อุปสรรคที่ขวางกัน้นการภาวนาคือการมชัชทัญะ ความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสก็ความอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าถือศีลแปดก็ไม่สามารถที่จะไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสได้กามฉันทะก็จะถูกกาจัดไปแล้วก็อุปสรรคคือความง่วงเหงาหาหนอนก็จะมีน้อยลงไปเพราะจะไม่ได้รับประทานอาหารมาก อาจจะง่วงช่วงที่กินเสร็จใหม่ๆแต่ก็หลังจากนั้นเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะหายง่วงถ้าไม่ได้กินข้าวเย็นนี้พอกินแค่เที่ยงวันพอหลังเที่ยงวันไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงที่นี้ก็ไม่มีความง่วงนอนมีเวลาที่จะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมได้ระจนถึงเวลาที่จะนอนสามทุ่มสี่ทุ่ม น, นี่คือวิธีกำจัดอุปสรรคต่างๆที่คอยขวางกั้นแต่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ต้องมีศรัทธาความเชื่อก่อนถ้าไม่เชื่อยังสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ก็จะไม่แน่ใจไม่มั่นใจและไม่มีความยินดีพอที่จ ะ, ะควบคุมบังคับจิตใจให้ไปทำในสิ่งที่จิตใจไม่ชอบ เพราะไม่เคยทำมาก่อนแต่ถ้าเชื่อก็จะยินดีที่จะควบคุมบังคับจิตใจเพื่อผลประโยชน์อันเลิศที่จะเกิดขึ้นต่อไปดังนั้นความศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะหาความสุขจากความสงบในถ้าไม่เชื่อก็จะ ไม่สนใจไม่ยินดีถ้าเชื่อก็จะสนใจยินดีที่จะทุ่มเทที่จะควบคุมบังคับให้ยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้มีเวลามาสร้างความสุขทางใจการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนี้ก็เกิดอยู่ที่การที่เราได้เข้า ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ถ้าเราไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่เชื่อกันแต่ถ้าเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะหายสงสัยหายสงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีจริงหรือไม่สิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนนี้จริงหรือไม่เป็นประโยชน์จริงหรือไม่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐหรือไม่ อันนี้ถ้าเราไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่รู้กันอย่างนั้นการที่จะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ตอนนี้พระพุทธเจ้าก็จากพวกเราไปแล้วแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะจากพวกเราไปพระองค์ก็ทรงฝากอพระองค์ท่านเองว่าอยู่ มีมีตัวแทนของพระองค์ทาหน้าที่แทนพระองค์ต่อไปตัวแทนที่จะเป็นศาสดาของพวกเรา t h i ก็คือพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ในระยะเวลา45ปีด้วยกันคำสอนคำสั่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ได้มีการจดการจำไว้แล้วได้มีการบันทึกมาตามลาดับจนในสมัยปัจจุบันนี้ ก็มีบรรจุอยู่ในพระไตรปิฎกนี่องถ้าเราอยากจะเข้าหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้กาก็บอกว่าให้เข้าหาพระธรรมคําสั่งคําสอนของเราผู้ใดเห็นคําสั่งคําสอนของเราผู้ใดพบคําสั่งคําสอนเขาเราผู้นั้นก็ได้พบเราตถาคตพระพุทธเจ้าเรียกตัวพระโอง๋ ง, องว่าตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ผู้เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรมดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่เราก็ลองไปศึกษาในพระไตรปิฎกดูถ้าศึกษาพระธรรมคำสอนเช่นพระสูตรต่างๆตามมาจากกัปปวัตตนสูตรมงคลสูตรคำว่าสูตรนี้ก็เป็นเทศนาหนึ่งกันการแสดงธรรมหนึ่งครั้งก็เรียกว่าเป็นหนึ่งสูตร พระ อ, องค์ทรงแสดงธรรมไว้มากมายแต่เราไม่จาเป็นที่จะต้องเรียนทั้งหมดจากเรียนพระไตรปิฎกทั้งหมดเราเพียงแต่เรียนบางพระสูตรก็พอเป็นตัวอย่างให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงหรือไม่และคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีคุณค่ามีประโยชน์หรือไม่ดังนั้นขอให้เราศึกษาพระธรรมคำสอนกัน แล้วเราจะไม่สงสัยในพระพุทธพระเจ้านะในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริงหรือไม่ว่ามีประโยชน์ต่อจิตใจของพวกเราหรือไม่นอกจากพระธรรมคําสอนแล้วก็ยังมีตัวแทนของพระพุทธเจ้าอีกอีกองคหนึ่งก็คือพระอริยสงสาวกร พรปาเยส่งสาวกก็คือผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าจนสามารถบรรลุถึงความสงบอันยิ่งใหญ่นี้ได้นับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระอริยบุคคล น, นี้มีอยู่สีชั้นด้วยกันชั้นที่หนึ่งเรียกว่าโสดาบันชั้นที่สองเรียกว่าสกิทาคามีชั้นที่สามเรียกว่าอนาคามี ชั้นที่สี่เรียกว่าอารหารันทั้งสี่ชั้นนี้ก็เป็นผู้ที่เข้าสู่ความสงบในระดับต่างๆกันเหมือนกับนักศึกษาที่ได้จบปริญญากันนักศึกษาก็มีจบปริญญาตรีโทและเอกตามลำดับผู้ที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้บรรลุ ถ, ถึงพระอริยะ พระอริยะบุคคลได้เข้าถึงความสงบในระดับต่างๆระดับที่หนึ่งก็เป็นระดับขั้นต้นที่ยังต้องมีการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ความสุขในระดับต้นระดับที่สองก็จะได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นที่สามก็เพิ่มมากขึ้นจนถึงระดับที่สี่ก็จะได้รับความส ง, มสงบเต็มร้อยเต็มที่ เหมือนกับเวลาที่เราเทน้ําใส่ภาชนะเวลาเทน้ําใส่เข้าไปครั้งแรกก็จะได้น้ําในระดับในส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ได้เต็มภาชนะเราก็ต้องเติมน้ําเข้าไปอีกเติมไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ําก็จะเต็มภาชนะเองการปฏิบัติทำตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะนําผู้ปฏิบัติให้ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบในระดับ ต่างๆกันขั้นต้นก็จะได้ในระดับของสมาธิก่อนคือได้ความสุขที่เกิดจากความสงบด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเพ่งจิตให้ดูอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไม่ต้องทำรวมกันก็ได้แยกกันทำก็ได้หมายถึง ดูลมอย่างเดียวก็ได้บริกรรมพุทโธอย่างเดียวก็ได้หรืออยากจะเอามารวมกันก็ได้มีสามวิธีถ้าไม่ชอบดูลมอยากจะบริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวให้จิตจดจ่อรู้อยู่กับคำบริกรรมไปอย่าหยุดบริกรรมถ้าหยุดแล้วจิตก็จะไม่มีสติที่จะควบคุมความคิดควบคุมจิตให้สงบได้นะต้องบริกรรมไปจนกว่าจิตจะ สงบนิ่งถึงจะหยุดบริกรรมได้หรือถ้าไม่บริกรรมจะดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวก็ได้ให้ดูที่ปลายจมูกเวลาลมเข้าก็รู้ว่าลมเข้าเวลาลมออกก็รู้ว่าลมออกให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมให้หายใจลึกหรือหายใจสั้นลมจะสั้นก็รู้ว่าสั้นลมจะยาวก็รู้ว่ายาว ลมจะหยาบก็รู้ว่าหยาบลมจะละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมจะหายไปก็ให้รู้ว่าลมหายไปถ้าลมหายไปแล้วก็ให้อยู่กับความไม่มีลมนั้นให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมหายใจให้รู้ว่ากําลังคิดอะไรหรือไม่ถ้าคิดก็ต้องหยุดความคิดนั้นอย่าไปคิดว่าไม่มีลมหายใจแล้วเราจะทําอะไรดีเราจะตายหรือไม่ อย่าไปคิดถ้าคิดอย่างนี้ต้องหยุดความคิดนะให้รู้เฉยๆว่ารู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมก็ให้อยู่กับความว่างไปความว่างปราศจากลมไปเดี๋ยวไม่นานจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะจิตสงบแล้วก็จะได้พบกับความสุขได้รับได้พบกับความสบายได้พบกับความปล่อยวางคืออุเบกขาจิตจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอันนี้เป็นวิธีของการดูลมหายใจเข้าออกหรือพุทธโธอย่างใดอย่างหนึง่งแต่บางท่านอยากจะรวมเอาสองอย่างมารวมกันก็ได้เช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ทำได้เป็นมีหลากหลายวิธีด้วยกันการที่จะทำใจให้เข้าสู่ความสงบ แล้วแต่ผู้ปฏิบัติจะเลือกชนิดไหนก็ได้เปรียบเหมือนกับอาหารอาหารก็มีหลากหลายชนิดผู้ที่รับประทานอาหารก็เลือกรับประทานอาหารชนิดต่างๆกันแต่ผลที่ได้ก็เหมือนกันคือได้รับความอิ่มท้องเวลารับประทานอาหารเสร็จไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดใดก็ทำให้เกิดความอิ่มท้องขึ้นมาการใช้อารมณ์เพ่ง ให้จิตเพ่งนั้นก็เหมือนกันถ้าจิตเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้เหมือนกันดูลมก็สงบได้บริการพุทโธพุทโธก็สงบได้หรือจะรวมกันหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโธก็สงบได้เหมือนกันขอให้ทําอย่างต่อเนื่องทาอย่างไม่เผลอ ไม่ใช่ทำได้สองสามวินาทีก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถ้าเผลอไปคิดแล้วก็ถือว่าการภาวนาตอนนั้นขาดตอนผลยังไม่เกิดตามมาต้องไม่ให้มันขาดตอนถ้ามันขาดตอนก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่กลับมาเริ่มดูลมใหม่กลับมาพุทโธใหม่เวลาเริ่มหัดภาวนาใหม่ๆนี้มันจะเผลอง่าย มันพุทธทได้สองสามคำก็ไปละคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ดูลมเข้าออกได้สองสามครั้งเดี๋ยวมันก็ไปละแต่อย่าท้ออย่าเบื่อนายต้องยอมรับว่านี่เป็นสภาพจิตใจของผู้เริ่มต้นเหมือนกับเด็กที่กำลังหัดกำลังหัดคลานกำลังหัดยืนกำลังหัดเดินกำลังหัดวิ่งก็ต้องมีลมลุกคุกขาดกันไปเป็นธรรมดา แต่ถ้าเพียรพยายามไปเรื่อยๆเหมือนกับเด็กต่อไปเด็กก็จะสามารถลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมาวิ่งได้ดังนั้นจิตของผู้ที่เริ่มฝึกหัดก็จะเป็นอย่างนี้จะล้มลุกคุกคลานไปงั้นอย่าเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายหรืออย่าเกิดความโกรธตนเองว่าตนเองนี่ไม่ได้เรื่องอันนี้มันจะเป็นทางของกิเลสทางของ กิเลสที่ไม่ต้องการให้เรามาภาวนากันเพราะกิเลสมันไม่ชอบความสงบกิเลสมันชอบความวุ่นวายชอบให้จิตคิดปรุงแต่งชอบให้จิตเครียดกับเรื่องนั้นเครียดกับเรื่องนี้พอเวลาที่จะมาทําจิตให้ไม่เครียดให้สงบเนี้กิเลสมันก็จะมาคอยหาอุปสรรคมาให้ไม่ให้ไปทําจิตให้สงบ เช่นพอล้มลุกคลุกคาหน่อยนั่งเดี๋ยวเดียวไม่ได้ผลก็บอกอย่านั่งดีกว่าเราไม่มีวาสนาแล้วชาตินี้ขอไปทำอย่างอื่นดีกว่า ต, ต้องบอกว่าไปทำอย่างอื่นแล้วมันได้อะไรเดี๋ยวไม่ช้าก็แล้วก็ต้องร้องห่มร้องไห้เดี๋ยวต่อไปร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะวุ่นวายจะทุกข์จะลำบากพยายามทาไปเถิดเดี๋ยวพอพับ ทำได้แล้วต่อไปสบายไม่ไม่ต้องมาทุกมากังวลกับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายให้คิดว่าเหมือนกับเป็นการฝึกหัดว่ายน้ำก็แล้วกันถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นถ้าเรานั่งเรือไปนี้แล้วถ้าเกิดเรืออับปางขึ้นมานี้เราก็จะลบาบากแต่ถ้าเราว่ายน้ำเป็นเราก็จะสบายไม่เดือดร้อน ฉันใดต่อไปร่างกายของเรานี้มันจะอับปางร่างกายของเรามันจะไม่สามารถทำหน้าที่หาความสุขให้กับเราได้ถ้าเราภาวนาไม่เป็นเราก็จะเหมือนกับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นพอเรืออับบางทีนี้ก็จะมีแต่จมน้ำไปเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเราหัดว่ายน้ำหัดภาวนากันไปหัดหาความสุขที่เกิดจากความสงบ ใหม่ๆมันก็รู้สึกยากรู้สึกไม่ถนัดรู้สึกว่าทำแล้วไม่ค่อยได้ผลก็อย่าท้อแท้เบื่อหน่ายต้องเพียรพยายามทำไปเรื่อยให้คิดว่ากรุงโรมนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาในวันเดียวฉันใดการสร้างความสงบนี้ก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาในเพียงวันเดียวต้องใช้เวลาหลายเดือนหลายปีสำหรับบางคนแต่บางคน อาจจะมีวาสนามีความรู้ความสามารถที่สามารถนั่งปุ๊บได้ปั๊บเลยก็มีซึ่งมีจำนวนน้อยบ้างน้อยมากแต่ก็มีอยู่มีข่าวๆในวงการปฏิบัติบางคนไม่เคยนั่งมาก่อนพอไปได้เรียนรู้วิธีนั่งแล้วไปลองนั่งห้านาทีจิตก็รวมเข้าไปสู่ความสงบอันนี้มีเรื่องที่หลวงตามาหาบัวท่านเล่าให้ฟังเกี่ยวกับแม่ชีคนหนึ่ง แม่ชีคนนี้ก็เป็นเด็กชาวบ้านหลวงปู่มั่นท่านก็ไปทุดงแล้วก็ไปอยู่ใกล้กับหมู่บ้านนั้นอาศัยหมู่บ้านนั้นบิณฑบาตแล้ววันพระพวกชาวบ้านก็ไปฟังเทศฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนวิธีภาวนาให้หัดบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไป ก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งตอนนั้นอายุสิบกว่าขวบมั้งก็ลองเอาไปทำดูพอเธอบอกว่าเธอนั่งบริกรรมพุทโธไปห้านาทีพรบจิตของเธอก็รวมเข้าสู่ความสงบเกิดความรู้สึกแปลกประหลาดมหัสัจจใจขึ้นมาก็ไปกราบเล่าให้หลวงปูม่ม่นฟังตอนต้นเธอคิดว่าเธอหลับไปแต่หลวงปู่บอกไม่ใช่หลับนี่แหละคือจิตรวมจิตเข้าสู่ความสงบแล้ว จิตของเธอเป็นจิตที่ผ่านผลพอสงบแล้วไม่อยู่เฉยๆไม่สักแต่ว่ารู้กลับไปรับรู้เรื่องนิมิตต่างๆไปเห็นนิมิตของเธอนอนตายอยู่แล้วก็เห็นหลวงปู่ม่านมาพิจารณาศพของเธอแล้วหลวงปู่ม่านก็เอาไม้เท้านี้ไปตะไปเขีย่ยตามร่างกายไปเขีย่ยตรงไหนร่างกายก็เปื่อยผุไปตอนนั้น แล้วก็มาเล่าให้หลวงปู่มั่นฟังหลวงปู่บอกนี่แหละคือการนั่งสมาธิแต่ไม่ควรที่จะปล่อยให้จิตออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเพราะว่าการรับรู้เรื่องราวต่างๆในเบื้องต้นนี้จะไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์จะเป็นอุปสรรคต่อการทําใจให้สงบจึงไม่ควรไปสนใจถ้าเกิดนั่งแล้วปรากฏออกไปรับรู้นิมิตต่างๆ ให้ดึงจิตกลับเข้ามาสู่ความสงบเพียงอย่างเดียวให้ฝึกจิตให้มีความสงบให้มีอุเบกขามากๆเพราะจะเป็นบาดฐานต่อการเจริญวิปัสสนาหรือปัญญาต่อไปหลังจากที่หลวงปู่มั่นจากจากไปหลวงปู่มั่นก็สั่งว่าให้เธอหยุดภาวนาไว้ชั่วคราวก่อนเพราะว่าไม่มีครูอาจารย์คอยสอนอาจจะเกิดความเสียหายได้ เพราะยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็ไม่มีคนคอยที่จะคอยให้คำปรึกษาเวลานั่งแล้วไปปรากฏไปรู้ไปเห็นอะไรขึ้นมาอาจจะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องได้แต่ต่อมาเวลาเธอโตขึ้นมาเธอก็เกิดศรัทธาแล้วก็ออกบวชเป็นแม่ชีและหลังจากที่ไปศึกษาจากหลวงปู่มั่นพอหลวงปู่มั่นเสียก็ไปศึกษาจากหลวงตามหาบัวต่อ จนในที่สุดเธอก็ได้บรรลุเป็นพระอราหันต์เป็นแม่ชีที่เป็นพระอราหารันต์เพราะเวลาที่เธอตายไปกระดูกที่ของเธอก็บางส่วนก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมานี่คือเรื่องที่ได้ยินได้ฟังกันในวงการปฏิบัติที่วัดยานก็มีหุ่นแม่ชียอยู่สองคนคนหนึ่งเป็นแม่ชีอีกคนหนึ่งเป็นอุบาอุบาสิกาถือศีลแปด แต่ไม่ได้บวชไม่ได้ไม่ได้ไไดกนกนศรศีรษะไม่ได้นุ่งขาวห่วมขาว น, นุ่งดําห่มขาวถือศีลแปดวันนี้เธอชื่อกอขาวสวนหลวงอยู่ที่ราชบุรีส่วนหุ่นี้เพิ่งอีกคนหนึ่งที่เป็นแม่ชีนี้ก็เรียกคุณแม่ชีแก้วก็คือคนที่เล่าให้ฟังนี้ ผู้ที่สร้างวัดยานเขาก็เคยศึกษาได้ยินได้ฟังประวัติของท่านเหล่านี้ได้เคยไปสัมผัสได้ไปพบก็มีความศรัท ธ, ธาความเชื่อในความเป็นพระอริยะบุคคลของบุคคลเหล่านี้เพราะเวลาฟังเทศฟังธรรมจากบุคคลเหล่านี้แล้วทําให้เกิดความศรัท ธ, ธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนะดังนั้นถ้าพวกเรายังไม่มีความมั่นใจไม่มีศรัท ธ, ธา ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เพื่อที่จะได้ทำให้เราเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาถ้าจะหาพระพุทธเจ้าก็ต้องไปหาในพระไตรปิฎกไปอ่านพระสูตรต่างๆถ้าไม่ไม่ชอบอ่านพระสูตรก็ไปหาพระอริยะบุคคลต่างๆเดี๋ยวนี้ในเฟซบุ๊กนี่มีเยอะแยะไปหมดมี มีเพจของพระอาหารหันต์สายหลวงปู่มั่นเนี่ยอยากจะรู้ว่าองค์ไหนเป็นพระอาหารหันต์ก็เข้าไปดูได้แล้วก็ไปติดตามอาจํำสอนของท่านได้บางองค์ยังมีชีวิตอยู่ก็ไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมจากท่านได้ก็อยู่ไปปฏิบัติทมกับท่านที่วัดของท่านก็ได้นี่คือวิธีที่จะทำให้เรามีความศรัทธาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่มีจริง เชื่อว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัติคือการบรรลุเป็นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆนับตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปก็เป็นจริงและผู้ที่จะสามารถบรรลุเป็นพระอาริยบุคคลได้ก็เป็นได้ทุกคนถ้าได้ศึกษาแล้วจะมีความมั่นใจในตนเองว่าเราก็สามารถเป็นพระอาริยบุคคลได้ เพราะว่าพระอริยบุคคลก่อนที่จะมาเป็นพระอริยบุคคลก็เป็นคนที่มีกิเลสตัณหาเหมือนพวกเรานี่แหละแล้วมามาจากทุ ก, ทกเพศทุกวัยมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งคนหนุ่มคนสาวมีทั้งคนแก่คนเฒ่ามีทั้งนักบวชมีทั้งผู้คองเรือนเพศต่างๆเหล่านี้สถานภาพต่างๆเหล่านี้ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ<ม>ก็สามารถที่จะบรรลุ ถ, ถึงมรรคผลนิพพานได้<ม>ทุกคนสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ถ้ามีศรัทธาความเชื่อแล้วได้ศึกษาจนรู้รู้จักแนวทางของการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นปฏิบัติอย่างไร ก็นําำอาไปปฏิบัติแล้วต่อไปผลก็จะปรากฏขึ้นมาบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆขึ้นมาตามลําดับดังนั้นทุกคนถ้าใครได้ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วแล้วได้พบกับพระอริยสงฆ์ก็จะมีความมั่นใจในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของการบรรลุถึงผลขั้นต่างๆ ดังนั้นถ้าเรายังไม่มีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นเราก็ต้องเข้าไปหาพระพุทธหรือหรือพระสงฆ์พระพุทธก็ต้องเข้าหาที่พระธรรมคำสอนอ่านจากพระไตรปิฎกตอนนี้เราสามารถเข้าถึงพระไตรปิฎกได้อย่างง่ายดายเพราะมีอยู่ในมือถือของเราแล้วเพียงแต่กดพระสูตรที่เราต้องการจะศึกษาหรือธรรมะข้อไหนที่เราอยากจะรู้ อริยสัจสีก็เขียนเข้าไปกดเข้าไปเดี๋ยวพระอริยสัจสีก็เข้ามาหาเราอยากจะรู้ไตรลักษณ์ว่าเป็นอย่างไรก็กดเข้าไปอยากจะรู้ว่าสติเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรก็กดเข้าไปสามารถเรียนรู้ได้เราจะนอกจากรู้แล้วยังมีข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ต่อเนื่องกันที่เราจะสามารถศึกษาได้อย่างง่ายได้ ไม่เหมือนสมัยก่อนต้องไปห้องสมุด ต, ต้องไปวัดนถึงจะไปหยิบหนังสือพระไตรปิฎกขึ้นมาอ่านได้สมัยนี้สามารถเข้าถึงได้อย่างพร้อมๆกันเลยกี่พันคนกี่หมื่นคนกี่แสนคนอยากจะศึกษาจากพระไตรปิฎกนี้สามารถทําได้พร้อมๆกันทุกเวลาด้วยเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีเวลาที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงเลยเพราะเดี๋ยวนี้ระบบของ การเชื่อมต่อของมือถือมันก็ทำงาน24ชั่วโมงสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆที่เราต้องการได้ถ้าเราศึกษาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาดูตัวอย่างชาวต่างประเทศเขาก็ไม่มีวัดไม่มีาศาสนาพุทธอยู่ที่ประเทศเขาแต่เขาก็ได้มาศึกษาพราะธรรมคำสอนผ่านทางหนังสือบ้างผ่านทางอินเทอร์เน็ตบ้าง เขาได้ศึกษาแล้วก็ได้ลองนําเอาไปปฏิบัติเขาก็เริ่มสัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติจนทําให้เขามีศรัทธาความเชื่อที่จะทิ้งบ้านเรือนของเขาเดินทางมาสู่ประเทศไทยมาหาวัดปฏิบัติปฏิบัติกันมาอยู่แบบอดอยากขาดแคลนอยู่กันแบบกันดารเช่นอยู่ที่นี่ก็ไม่มีน้ํา ป่าไม่มีไฟฟ้าเวลาที่จะรับประทานอาหารก็ต้องเดินจากเขานี้ลงไปที่วัดข้างล่างแล้วก็ออกไปบินทบาทไปช่วยพระขนอาหารอะไรต่างๆแล้วรับประทานอาหารก็รับประทานกันเพียงแค่มื้อเดียวรับประทานอาหารเสร็จก็กลับมาขึ้นเขาแล้วก็เข้าไปอยู่ในมุมต่างๆของป่าของเขาเพื่อที่จะได้ปฏิบัติจเจริญสติ นั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งๆ ท, ที่เขาไม่เคยมีไม่มีศาสนาอย่างพวกเราพวกเรานี่มีศาสนามีวัดแทบทุกมุมมุมเมืองเดินไปไหนแทบจะชนกับวัดอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเรากลับไม่เข้าไม่ถึงศาสนากันเพราะพวกเราถูกถูกอิทธิพลทางวัตถุทาง ทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสดูดดให้เราออกจากวัดกันไปให้เราไปหาความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสกันพอเราไม่ได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงเวลาไปวัดก็ไปไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปแค่ประตูวัดไปที่โบสถ์แล้วก็ไปจุดธูปเทียน ขอให้เงินหยอดเหรียญเข้าในตู้แล้วก็ขอพรต่างๆขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานขอให้ได้แฟนหล่อๆแฟนสวยๆขอให้ได้ลูกที่น่ารักก็ขอกันไปทั้งๆที่ไม่รู้ว่าการขอเหล่านี้ไม่มีผลแต่อย่างใดเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ขอพระพุทธเจ้าสอนให้ทา อยากได้อะไรจะต้องทำเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาไม่ใช่ขอศาสนาพุทธนี้ไม่ใช่ศาสนาขอแต่เป็นศาสนาธรรมคือศาสนาปฏิบัติคำว่ารมก็คือปฏิบัติต้องปฏิบัติอยากจะได้ความสุขความเจริญทางจิตใจต้องปฏิบัติรรมศาสนาพุทธนี้ไม่ได้สอนให้เจริญทางด้านราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผดถภา กับสอนให้ให้ตัดความความยินดีในความเจริญของลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้กายเพราะมันเป็นกับดักของความทุกนั่นเองถ้าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสะ พ, พแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องน้ำตาตกหนเดี๋ยวจะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ เพราะสิ่งที่ได้มามันก็อาจจะจากเราไปได้เมื่อไรก็ได้วันดีคืนดีมันก็หายไปเคยได้เงินได้ทองไหลมาเทมาถ้าจะไม่รู้จักวันหยุดวันหย่อนเดี๋ยววันดีคืนดีมันหยุดมันไม่มาเลยก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีมีมามีไปมีเกิดมีดับนีฉะนั้นเวลาไปหาสิ่งเหล่านี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจในภายหลัง แต่ไม่มีใครพาเข้าวัดกันเดี๋ยวนี้ทางการศึกษาก็ไม่ดึงจิตไม่ดึงเด็กให้เข้าหาวัดหลักสูตรการศาสนาก็ถูกตัดไปเกือบหมดพุทธศาสนานี่ก็แทบจะไม่ได้สอนสมัยที่เราเรียนเป็นเด็กปอนึ่งนี้ทุกวันพระครูก็ยังพาเด็กเข้าวัดไปฟังเทศฟังธรรมไปถือศีลไปอาราณาอาราธนาศีลกัน แต่สมัยนี้ไม่มีกันแล้วเรื่องราวเหล่านี้เพราะถูกอิทธิพลของวัตถุ ด, ดูดไปหมดหลงไปกับการหาความสุขทางด้านวัตถุแล้วก็มาปวดศีรษะมาเครียดกับเรื่องของวัตถุนั่นเองเพราะวัตถุมันไม่แน่นอนมันมาได้มันไปได้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันหายไปได้เวลามันหายไปก็สร้างแต่ความทุกข์สร้างแต่ความปวดหัวให้นั่นเอง คนที่ฉลาดถึงจะรู้ว่าเรื่องของวัตถุเรื่องของความเจริญทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพานี้ไม่ใช่ทางสู่ความสุขที่แท้จริงถ้ารู้ก็จะได้รู้จักหาเข้าหาความสุขที่แท้จริงเข้าหาวัดเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพอได้ศึกษาแล้วทีนี้ก็จะหูตาสว่างขึ้นมา พอรู้วิธีของการปฏิบัติเพื่อจะทำให้จิตใจสงบก็ลองปฏิบัติดูถ้าปฏิบัติตามคำสอนมันไม่ยากเลยคำว่าสตินี่มันยากที่ตรงไหนมีมีอักษร อ, อยู่สองตัวมีสระหนึ่งตัวเท่านั้นเองเขียนสอเสือตอเต่าสระอี๋เท่านั้นเองสติตัวเดียวทาไมมันทำกันไม่ได้ทำไมดึงจิตให้มันอยู่ในปัจจุบันไม่ได้หรือ ย, ยังไง ทำไมชาบส่งจิตไปอดีตไปอนาคตด้วยความคิดต่างๆถ้าไม่อยากจะส่งจิตไปอดีตไปอนาคตอยากให้มันอยู่ปัจจุบันก็ต้องหยุดคิดท่นเองก็ต้องให้มันเพ่งอยู่กับความคิดที่ไม่ไม่เป็นปัจจุบันไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคตเช่นคิดถึงคำบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยอันนี้ไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคตถ้าเราพุทโธพุทโธไปจิตมันก็จะกลับมาอยู่ในปัจจุบัน ถ้าจิตไม่อยู่ในปัจจุบันมันสงบไม่ได้มันนิ่งไม่ได้เพราะว่าถ้ามันอยู่ในอดีตอนาคตมันต้องทํางานมันต้องส่งตัวมันไปในอดีตไปในอนาคตแต่ถ้าไม่ส่งไปในอดีตไม่ส่งไปอนาคตอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวมันก็นิ่งได้นี่อุบายของสติก็คือดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันคนที่ปฏิบัติปฏิบัติไปจะเข้าใจคำว่าปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร จิตต้องอยู่ในปัจจุบันจิตถึงจะสงบเป็นอุเบกข า, ามีความสุขได้ถ้าไปอดีตไปอนาคตแล้วก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้จึงต้องอาศัยสติเป็นตัวหนึ่งจิตให้อยู่ในปัจจุบันให้ให้ระลึกถึงอารมณ์ที่ไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคตเช่นพุโทโธพุโทโธหรือลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกอยากคิด ถ้าคิดแสดงว่าไปแล้วไม่ไปอดีตก็ไปอนาคตต้องดึงให้กลับมาอยู่ปัจจุบันแล้วจิตถึงจะเข้าสู่ความสงบได้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำกันแต่ก่อนที่เราจะทำได้เราต้องเกิดศรัทธาขึ้นมาเกิดฉันทะความยินดีในธรรมก่อนถ้าไม่มีความยินดีในธรรมนี้มันจะไม่มีความเพียรที่จะ สแสวงหาธรรมจะไม่ยินดีจะไม่มีความภาคเพียงที่จะปฏิบัติธรรมจะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆเ อ, อ็ยังไม่ถึงเวลาเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตอนนี้ขอหาความสุขของคนหนุ่มคนสาวไปก่อนไ้ตอนเวลาแก่แล้วค่อยมาตอนเวลาแก่มันจะยากนะเพราะว่าจิตใจมันเหมือนกับไม้เนะี่ยไม้อ่อนมันดัดง่ายนะไม้แก่มันดัดยากนะเวลาที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ เวลาสอนให้มันทําอะไรนี่มันง่ายสังเกตดูเวลาสอนเด็กนี่สอนอยังไงเชื่อฟังทันทีหนูกราบนะกราบเลยแต่พอโตขึ้นมาเริ่มดื้อและะ้วมั้ยบอกกาบเถียงกา บ, าบทําไมเอออันนี้ก็เหมือนกันพอแก่แล้วบอกให้พุโทโธมันจะเถียงว่าพุโทโธทําไมอดู ล, ลมทําไมเอไปมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นฉันเคยชอบคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ฉันก็จะคิดของฉันต่อไปะ ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็จะยากต่อการที่จะปฏิบัติทําใจให้สงบได้เห็นตอนนี้ตอนที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนที่ยังไม่แก่นี่ตอนที่เรายังสามารถสอนจิตสอนใจได้ง่ายนี้รีบทํากันเถิดเพราะว่ามันจะได้ได้ผลง่ายได้เร็วกว่าตอนตอนที่เวลาแก่แล้วเวลาแก่แล้วร่างกายก็ไม่ไหวจะเดินก็ไม่ไหวจะนั่งก็จะหลับ ก็มีแต่อุปสรรคทางนั้นอย่างนั้นถ้ายังไม่มีศรัทธาเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การรู้จักพราอรียรสงฆ์สาวกที่ไหนฟังธรรมจากท่านแล้วเกิดบิติเกิดความสุขเกิดปัญญาเกิดฉันทาวิรยิยะเกิดศรัทธาก็ไปที่นั่นไปศึกษาครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านก็มีอุบายวิธีสอนที่ไม่เหมือนกัน เปรียบเทียบก็เหมือนท่านเป็นร้านอาหารอาหารมันก็เหมือนกันไปซื้อเนื้อซื้อผักมาเหมือนกันแต่เวลามาปรุงนี่ปรุงไม่เหมือนกันมาทำไม่เหมือนกันบางร้านก็ขายก๋วยเตี๋ยวบางร้านก็ขายข้าวผัดนะบางร้านก็ขายพิซซ่าบางร้านก็ขายแฮมเบอร์เกอร์มันก็เป็นอาหารเหมือนกันครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันบางองค์ท่านก็เน้นทางปัญญาบางองค์ท่านก็เน้นทางสติ บางองค์ท่านก็เน้นทางความเพียรในศาสตร์ชิกอะไรบางองค์ก็เน้นทางด้านอดอาหารบางองค์ก็เน้นการไปอยู่ป่าชา้าป่าป่าตามป่าตามเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องอุบายของแต่ละองค์ท่านได้ธรรมะมาอย่างไรท่านก็จะสอนวิธีนั้นเพราะท่านไม่รู้วิธีอื่นแต่รู้วิธีที่ท่านได้ได้ผลมาท่านก็สอนวิธีนั้น ทีวิธีที่ท่านรู้มาสอนเราอาจจะไม่ถูกกับจริตของเราก็ได้เราก็อาจจะฟังเทศจากองค์นี้แล้วฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับไปกินร้านอาหารที่ไม่ถูกปากอย่างนั้นถ้าไม่ถูกฟังเทศฟังธรรมแล้วไม่ประทับใจก็เปลี่ยนไปหาองค์อื่นไปเดีย๋ยวนี้มีเยอะแยะที่เราสามารถที่จะไปหาได้ถ้าไม่รู้ก็เสิร์ชใน Google ก็ได้พระอรหันต์สายหลวงปู่มั่น เดี๋ยวก็จะมีโผลขึ้นมาตามเพจต่างๆมีชีวประวัติของท่านให้เราได้ศึกษาให้รู้ว่าท่านศึกท่านปฏิบัติอย่างไรท่านถึงได้บรรลุแล้วคําสั่งคําสอนของท่านท่านสั่งสอนไปในทางไหนในแนวไหนก็ลองศึกษาค้นคว้าหาดูไปเดี๋ยวก็ได้ไปรู้จักตัวท่านเองพอได้รู้จักตัวท่านถ้าเกิดความประทับใจแล้วมันจะมีท่านจะเป็นเหมือนแม่เหล็กเนี่ย ที่จะดูดความเพลินออกมาจากจิตใจของเราเคยเกลียดเคยขี้เกียดเคยเคยผัดวันประกันพรุ่งนี้มันจะหายไปหมดมันมีแต่อยากจะขึ้นเวทีโชกกับกิเลสตลอดเวลาเมาื่อก่อนนี้คอยเลี่ยงไม่อยากจะขึ้นเวทีพอได้ครูที่ดีได้โค้ชที่ดีทีนี้โอ้โหอยากจะขึ้นไปไปชิงแชมป์กับกิเลสตันหาที่มันครอบครองแชมป์อยู่ในหัวใจเรามา เป็นระยะเวลาอันยาวนานมันเป็นตัวที่พาให้เราต้องมาทุกกับการเวียนว่ายตายเกิดทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายทุกกับความพัดภาคจากกันพอตอนนี้เราได้โค้ชที่ดีแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องไปจิงแชมป์เอาชนะให้เอาชนะกิเลสตันหาให้ได้ถ้าเราเอาชนะกิเลสตันหาไม่ได้เราก็ยังจะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด อยู่กับความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกับคนที่ติดคุกคนที่ติดคุกนี้ไม่มีใครอยากจะอยู่ติดคุกไปนานๆหรอกมีแต่อยากจะออกถ้ามีใครมาบอกช่องทางว่าในวิธีที่ออกจากคุกทาอย่างนี้ทาอย่างนี้จะรีบยินดีทา ท, ทันทีฉันได้พวกเราก็เหมือนกันพวกเรานี้เป็นเหมือนพวกที่ติดคุกอยู่คุกของเรานี้มีกำแพงอยู่สี่ด้าน ด้านด้านที่หนึ่งเรียกว่าเกิดด้านที่สองเรียกว่าแก่ด้านที่สามเรียกว่าเจ็บด้านที่สี่เรียกว่าตายเนี่พวกเราติดอยู่ในคุกนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานแสนนานเราไม่รู้หรอกว่าเราติดคุกนี้มานานสักเท่าไหร่แต่พระพุทธเจ้านี้ทรงรู้ว่าเป็นเวลาอันยาวนานมากการที่มาเกิดแก่เจ็บตายของพวกเรานี้ไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแล้วและยังจะติด อยู่ในคุกจำรางแบบนี้ต่อไปอีกอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่มีใครมาบอกมาสอนมาสร้างมาปลุกมาปลุกกำลังให้กับเรามาสร้างกำลังใจให้กับเราให้เราทุ่มเทกับการที่เราจะต้องปีนป่ายข้ามกำแพงนี้ออกมาจากนอกคุกต้องรอคนที่หนีออกจากคุกได้แล้วมาบอกวิธีให้เราฟังว่ามันไม่ยากมันมีอุบายมันมีเคล็ดลับเนี่ย พอเรารู้เคล็ดลับว่าวิธีที่จะทำให้เราออกมาจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็จะมีความยินดีมีความภาคเพียรมีความพยายามแล้วถ้ามีความพยายามแล้วต่อไปความสาเร็จก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร จะเกิดความเพียรพยายามได้ก็ต้องเกิดศรัทธาเกิดความยินดีในธรรมจะเกิดศรัทธาเกิดความยินดีในธรรมก็ต้องได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระธรรมคำสอนก็ดีจากพระอริยสงสาว ก, ก็ดีนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะจุดประกายของของไฟที่มีอยู่ในใจเขาพวกเราให้ลุก ชดช่วงชัตชวานขึ้นมาเพื่อที่จะได้ผลักดันจิตใจของเราให้ให้ก้าวสู่การปฏิบัติให้เข้าให้เข้าสู่ให้เข้าสู่เวทีของการต่อสู้กับกิเลสตัณหาเพื่อที่จะได้ทำลายแชมปที่มันคลองคลองจิตใจของเรามาเป็นเวลาอันยาวนานถ้าเราทำลายกิเลสตัณหาที่เป็นแชมปครอบคอลองจิตใจของเราได้แล้ว พอมันถูกทำลายหมดแล้วทีนี้มันก็จะไม่มีอะไรที่จะมาฉุดรากให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวนทุกที่เราเคยมีมาเป็นเวลาอันยาวนานนี้จะหายไปหมดถ้าเรามีศรัทธามีความยินดีในการปฏิบัติมีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติ ที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาทุกรูปแบบทุกชนิดเพื่อที่จะเอาชัยชนะมาครองเป็นสมบัติของเราคือการได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่ก็จากการที่เรามีเวลาเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันถ้าวันนี้เป็นวันทำงานเราก็จะไม่ได้มานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็จะไม่ได้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นหรือมี ฉันทะวิริยะเพิ่มขึ้นอาจจะมีน้อยลงไปเพราะว่าเราอยู่ห่างไก่เราเลยลืมได้ลืมของวิเศษลืมสิ่งที่ดีเพราะเรามัวแต่ไปหาของที่ไม่ดีแล้วก็คอยวุ่นวายกับการดูแลรักษาของที่ไม่ดีที่ดูแลรักษาอย่างไรไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันสูญไปอยู่ดีเพราะของทุกอย่างในโลกนี้รวมทั้งร่างกายมันก็เป็นของไม่เที่ยง สมบัติเข้าของเงินทองไม่เที่ยงร่างกายที่จะดูแลรักษาสมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่เที่ยงเหมือนกันในที่สุดเดี๋ยวมันก็หลุดมือไปหมดเข้าของเงินทองก็หมดสิ้นไปเวลาที่ร่างกายตายไปแต่ถ้าเรามาหาสิ่งที่เที่ยงสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดเวลาที่ร่างกายตายไปหรือเวลาอะไรหมดไปไอสิ่งที่เราหาได้ภายในใจนี้มันจะไม่มีวันหมด มันจะอยู่กับเราไปตลอดถ้าเราหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปตลอดไม่มีวันที่จะกลับมาทุกข์อีกต่อไ ป, <c oughs> อไปจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีเวลาที่เราจะได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเข้าศึกษาฟังคําสั่งคําสอนเพื่อที่จะได้เกิดศรัทธาความเชื่อเกิดฉันทะความยินดีเกิดวิริยะความอุตสาห ภาคเพียร์พอเราได้ทั้งสามนี้แล้วทีนี้ก็เหมือนได้จุดไฟแล้วไฟป่านี้มันเริ่มต้นแค่จุดเล็กๆท่านั้นเองพอคนโยนบุหรี่ทิ้งไปในกองกองใบไม้กองเดียวท่านั้นเดี๋ยวใบไม้มันก็ลุกลามจนกลายเป็นไฟเผาป่าทั้งหมดได้ฉันใดพอมีไฟของศรัทธามีไฟของฉันทะความยินดีมีไฟของวิริยะความภาคเพียรแล้ว ต่อไปไยนี้มันก็จะพาให้ไปเผากิเลสตัณห า, ต, าต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้อย่างนั้นอย่าลืมการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรายังไม่ได้เข้าสู่การปฏิบัติถ้าเรายังไ ม, ไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหรือไม่รู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องเราต้องเข้าหาผู้รู้คือพระ พ, พ, พ, พ, พุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่จะรู้วิธีที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องก็เสียเวลาเปล่าๆ เ, เพราะจะไม่ได้ผลนั่นเองยันอย่ารีบร้อนปฏิบัติขอให้เราศึกษาจนเรามีความมั่นใจว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรแล้วเราก็ไปปฏิบัติกันแต่พอศึกษาแล้วรู้แล้วว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นอย่างไงแต่ถ้าไม่ไปปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อีกเหมือนกันต้องมีทั้งสองส่วน ต้องมีการศึกษาเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อรู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติต่อผลถึงจะปรากฏขึ้นมาข้ามขั้นตอนไม่ได้จะไปปฏิบัติเลยโดยที่ไม่รู้ว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นยังไงก็จะไม่ได้ผลอยู่ดีดังนั้นต้องทำตามขั้นตอนศึกษาปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุถึงทำขั้นต่างๆ ต, ต, ต่อไป นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามีวันกำไรบุญกันคือวันหยุดชุดเฉยต่างๆแทนที่เราจะเอาเวลาไปเที่ยวหรือไปทำอะไรเราเอาเวลาเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าเพื่อจุดไฟที่ยังไม่เกิดขึ้นภายในใจของเราให้เกิดไฟลุกขึ้นมาไฟที่จะเอาไปเผาผลาญกิเลสตัณหาที่ครอบครองจิตใจที่ดึงให้พวกเราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้มันหมดไปจะดีกว่า การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสัมมิชตโตสัพเพปุเรนตตสังกปา จันโทปนาระโสยธามณิโชติอะรโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะโตอันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสิลิสะนิจังวุฒาปจายโน ยะตาโรธรมมวาทนติอายุวันโสุขังภาลางำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติก็เชิญถามได้ถ้าไม่อยากจะถามด้วยตัวเองก็เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้ วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับผมวันนี้ทางเฟ e บุ๊กเข้ามาทั้งหมดหนึ่ง้อยแปดสิบห้าคนยูทูบสามร้อยห้าสิบคนวิทยุออนไลน์ยี่สิบเ็ดคนพูดละฟังบนเขาหนึ่งร้อยยี่สิบสองคนรวมทั้งหมดห7ร้อยเจ็ดสิบแปดคนครับผมมีต่างประเทศเข้ามาเพิ่ม อีกประเทศหนึ่งครับที่รับชมทาง YouTube เป็นประเทศโปรแลนด์เป็นทั้งหมดสามสิบหกประเทศนะครับหลางประเทศนะหลาประเทศน ะ, ะมีคำถามก็ถามได้เลยคำถามจากทาง Facebook นะคะคำถามจากคุณพาพิมลค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะซื้อหวยกับเล่นแชร์จะผิดศีลไหมเจ้าคะ สินมันไม่ผิดแหละมันอาจจะผิดอบายมุกอยู่ที่ว่าเล่นซื้อแบบไหนถ้าซื้อแบบลงทุนนี่ก็ไม่ไม่ไม่ผิดเป็นถ้าซื้อแบบเสี่ยงเสี่ยงโชค อ, อันนี้อาจจะผิดเพราะว่ามันจะทำให้เจ๊งไม่ใช่อะไรที่ผิดเพราะว่าแต่ถ้าซื้อแล้วกำไรไม่ผิดเอาอย่างนี้ดีกว่าดูว่าดูว่าเจ๊งหรือไม่เจ๊งดีกว่าถ้าเจ๊งก็ผิดเนี่ยถ้าไม่เจ๊งถ้ากาไรก็เล่นไป คำถามจากคุณบีนาค่ะกาบเรียนสอบถามค่ะเมื่อวานดิฉันนำแชมพูไปถวายหลวงพ่อแต่เข้าใจผิดและกาบเรียนหลวงพ่อว่าเป็นสบู่โดยไม่ได้เจตนาดิฉันจะผิดศีลข้อมุสาไหมคะบาปไหมคะและมีเศษของกรรมอย่างไรบ้างคะไม่มีหรอกก็มีตรงที่ไม่รอบคอบเท่านั้นเองก่อนจะพูดอะไรให้มีสติก่อนพูดเพราะว่าก่อนที่เราจะพูดเราเป็นเจ้านายของคาพูด พอเราพูดแล้วมันเจ้านายมันจะเป็นมันจะเป็นเจ้านายของเรางั้นก่อนจะพูดอะไรให้คิดให้รอบคอบก่อนว่าจริงแล้วไม่จริงถูกแล้วไม่ถูกคำถามจากคุณวอดาอิสแฮปปี้ค่ะอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่านั่งสมาธิก่อนนอนแล้วนอนไม่หลับเกิดจากอะไรคะนอนไม่หลับกเพราะมันคิดนั่นสิแสดงว่านั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบ ถ้านั่งแล้วจิตสงบนอนจะหลับง่ายนะพอหัวถึงหมอนก็หลับแต่ถ้านั่งแล้วมันจิตไม่สงบยังคิดอยู่มันก็จะทำให้นอนไม่หลับได้ยั้นเวลาจะนอนก็ต้องพุโทโธพุโทโธต่อไปอย่าไปปล่อยให้มันคิดถ้ามันคิดแล้วเดี๋ยวมันไม่หลับคำถามจากคุณเอค่ะเมื่อวันที่สิบแปดหนูได้ไปวัดป่าบ้านตาก เข้าไปกราบไหว้พระท่าตรงเรือนไม้และกุฏิหลวงตาหนูมัวแต่เพลิดเพลินและดีใจที่ได้กราบแต่ลืมเอาเงินหยอดตู้ตรงพิพิธภัณฑ์หลวงตาจะจัดการกับความเสียใจยังไงดีคะก็โอนเงินเข้าวัดได้เนี่ยตัวไปถามที่วัดว่าบัญชีเลขของวัดหมายเลขเท่าไหร่ก็โอนใส่ทางผ่านทางบัญชีไปได้หรือไม่งั้นก็ซื้อเช็คของขวัญเลยใบตัวแรกเงินเนอะ ส่งไปทางไปสนิก็ได้ถ้าเราไม่มีบัญชีโอนเงินทางโทรศัพท์มือถือคำถามจากคุณเพนพันธ์ค่ะถ้าหนูไปวัดไม่ได้แต่ฝากพวงมาลัยดอกไม้ไปกับผู้อื่นให้ถวายแทนตัวเองในวันพระทุกๆวันเพื่อเป็นพุทธบูชาจะได้หรือไม่เจ้าคะได้ได้ได้บุญเหมือนกันคำถามจากคุณซอซอค่ะคนที่ตายด้วยอุบัติเหตุหรือตายปุปป๊บปั๊บ เขาจะสามารถรู้ตัวไหมคะว่าเขาตายแล้วหรือว่าเขาจะเห็นร่างของตัวเองไหมคะว่าตายแล้วคือเวลาที่จะตายเนะี่ยคนเราทุกคนรู้เทั้งนั้นนะเพราะว่าไม่ว่าจะอุบัติเหตุหรือนอนหลับตายก็ตามเพราะาก่อนจะตายนี่มันจะต้องมีอะไรมากระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้นตกใจขึ้นมาเพียงแต่ว่ามันจะไปยังไงนี่มันอยู่ที่บุญที่บาปได้ทําไว ถ้ามีบุญมากกว่าบาปก็จะไปดีถ้าบาปมากกว่าบุญก็จะไป อ, อบายคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะสามีของโยมเคยทําแท้งตั้งแต่สมัยเรียนเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว20กว่าปีเขาทุกใจมาตลอดมีพระบอกมาว่าเห็นเด็กอยู่ในบ้านพระจะมาทําพิธีเพื่อพาเด็กไปอยู่ด้วยและส่งไปเกิด สามีมาปรึกษากับโยมโยมอยากเรียนถามว่าควรเชื่อพระหรือไม่และคนที่เคยทำแทงมาสำนึกผิดแล้วมีทางพ้นทุกข์ได้อย่างไรและควรทำบุญให้เด็กเพื่อให้เขาพ้นทุกข์และอาโหสิกรรมให้พระอาจารย์เมตตาชี้หนทางสว่างให้กับคนตาบอดด้วยเถิดเจ้าคะ่ะคือการทำแท้งก็เป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเองนั้นตอบทำไปแล้วก็ต้องไปรับผลบาปต่อไป ต่อไปเวลาเราไปเกิดในท้องไข่เขาเราก็จะถูกเขาทำแท่งเราบ้างเป็นการแลกเปลี่ยนกันแต่เราจะไปห้ามวิบากกรรมไม่ให้เกิดไม่ได้แล้วเพราะมันทำไปแล้วเหมือนไปกู้หนี้เขาเราบอกขอขอยกหนี้ได้ไหมไม่ได้หรอกเจ้าหนี้เขาไม่ยอมหรอกอันนี้ก็เหมือนกันถ้าไปทำบาปแล้วก็ต้องไปรับผลบาปไม่ช้าก็เร็วเมื่อถึงมีเหตุมีปัจจัยมีถึงเวลาโอกาสที่มันจะ จะส่งผลมันก็จะส่งผลทางที่ดีก็อย่าไปทำเหตุกัแล้วกันอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่กรรมเก่าที่ทำไว้ก็ต้องรอรับผลมันไปเราอย่าไปทำกรรมใหม่ต่อไปเราจะได้ไม่มีผลไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับเราตามมาคำถามจากคุณวิไลแบรนด์ค่ะทำบุญร้อยวันคนที่ตายไปแล้วจะได้รับไหมคะ ก็อยู่ที่ว่าเขาอยู่ที่ไหนถ้าเขาอยู่สวรรค์ก็ไม่ต้องรับเขาไม่ต้องรับบุญที่เราส่งไปเพราะบุญส่งไปนี้น้อยกว่าบุญที่เขามีอยู่แล้วแต่ถ้าเขาเป็นขอทานคือเป็นเปรตเขาก็จะรอรับบุญที่เราส่งไปคำถามจากผู้ฝากถามบนข่าวคะ่ะในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยการพิจารณากายจะพิจารณาอย่างไรก็พิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเจ้าของร่างกายคือเราเป็นผู้ที่มาใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้เราร่างกายเป็นบ่าวใจเป็นนายเราคือผู้สั่งคือใจใจสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเป็นคนสองคนนไม่ใช่เป็นคนคนเดียวกันนะเราไม่รู้ถ้าเราไม่พิจารณาเราก็จะคิดว่าเรากับร่างกายเป็นคนเดียวกัน ร่างกายเป็นเราเราเป็นร่างกายแต่ความจริงเราคือความคิดที่มาคือใจนี้เองใจเป็นผู้คิดไปคิดว่าร่างกายเป็นเป็นเป็นเราฉะนั้นเราต้องแยกแยกความคิดกับอร่างกายว่าเป็นคนละคนกันอันแล้วก็หลายอย่างวิธีพิจารณาร่างกายมีหลายลักษณะอันนี้ก็อย่างคือต้องพิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวเรา มันมาจากดินน้ำลมไฟทามาจากดินน้ำลมไฟตายไปมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่สวยงามมันมีอวัยวะที่เรามองไม่เห็นอยู่ภายใต้ผิวหนังมีลำไส้ไม่รู้ยาวกี่เมตรเนี่ยคดอยู่ในร่างกายของเรานี่แต่เรามองไม่เห็นกันเราก็เลยไปหลงรักคนนั้นคนนี้ว่าสวยว่างาม แต่ถ้าเรานึกถึงลำไส้ที่มีในตัวเขาแล้วเราบอกไม่ไม่น่าจะสวยงามแล้วนะเหมือนกับเหมือนกับ อ, อะไรนะ๋วยจับซะและ้วมีตับไตไส้พงให้กินไปชอบคนนั้นก็ท่ากับไปชอบว๋วยจับนะคำถามจากผู้ฝากถามบนเขาค่ะ หนูปฏิบัติโดยการบริกรรมพุทโธในตอนต้นบริกรรมพุทโธได้อยู่แต่ต่อมาจิตนิ่งไปเฉยเฉยไม่บริกรรมแต่เราก็ยังรู้ตัวนะคะเข้าใจว่าเช่นนั้นแต่พอสักพักตัวก็เริ่มโค้งลงไปเราจึงรีบดึงลำตัวขึ้นอย่างเร็วจึงไม่เข้าใจว่าสรุปแล้วจิตเรานิ่ง ถ้ามันนิ่งมันไม่คิดอะไรก็ให้ไม่ใ ห, ให้ให้มันนิ่งไปอย่างนั้นแต่ไม่ต้องไปยุ่งกับร่างกายร่างกายมันถ้ามีสติจริงๆมันนิ่งจริงๆร่างกายจะไม่โค้งไม่งอะถ้ามันโค้งมันงอแสดงว่าไม่มีสติมันก็จะหลับอย่งนั้นต้องนั่งให้มีสติต้องให้รู้สึกตัวตลอดเวลารู้ว่าตอนนี้สงบหรือไม่สงบถ้าไม่สงบก็ต้องพุโทโธพุโทโธให้มันสงบ ถ้ามันสงบมันไม่ไม่คิดอะไรก็ไม่ต้องพุดโธให้รู้เฉยๆให้มีสติรู้ตลอดเวลาคำถามจากคุณดวงพรค่ะคุณลุงเสียชีวิตในขณะที่ยังมีห่วงกังวลเนื่องจากลูกชายเพียงคนเดียวต้องโทษคดีการเมืองอยู่เราจะทำอย่างไรให้ดวงวิญ ญ, ญาณของคุณลุงหมดห่วงหมดกังวลและได้ไปสู่สุขคติพบก็ต้องแสดงทาให้คุณลุงแก่ฟัง ถ้าเราไม่มีความสามารถเหมือนพระพุทธเจ้าเราก็แสดงทํรให้คนตายไม่ได้เราต้องมีพลังจิตที่สามารถจะติดต่อกับคนตายได้เช่นพระพุทธเจ้าติดต่อกับพระมารดาของพระพุทธเจ้าสามารถสอนให้พระมารดาบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ถ้าเราไม่มีพลังจิตเราไม่มีธรรมะก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของคุณลงเขาไป จนกว่าเขาจะไปเจอพระอาหารหันต์ที่มีพลังจิตที่จะสอนธรรมะให้กับเขาคําถามจากคุณบิ๊กค่ะเมื่อคนตายไปแล้ววิญญาณที่ยังไม่ได้ไปรับผลบุญหรือผลบาปที่ตนได้กระทําไว้ช่วงมีชีวิตแต่ยังเป็นพลังงานหรือปรากฏให้คนเห็นหมายถึงเขายังไม่หมดอายุไขหรืออย่างไรคะไม่เขาก็เป็นดวงวิญญาณที่รับผลบุญผลบาปแล้วนะ ดวงวิญญาณแต่ละดวงนี้ก็จะมีลักษณะต่างกันไปทุกมากทุกน้อยสุขมากสุขน้อยพวกที่สุขก็เรียกว่าเทวดาพวกทุกข์ก็เรียกว่าเปรตเรียกว่าผีนี่เองก็ถือว่าเป็นภพชาติแล้วเป็นเปรตก็เป็นภพหนึ่งแล้วเป็นผีก็เป็นภพหนึ่งแล้วไม่มีช่วงไหนที่ดวงวิญญาณจะขาดภพขาดชาติพอออกจากร่างกายไปพบก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นเปรตไปเป็นผีไปนรกทันที ตามอำนาจของบุญของบาปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะการนั่งสมาธิที่บอกว่านั่งคู่ขาเข้ามาไม่ต้องนั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายได้หรือไม่ครับก็นั่งแบบไหนก็ได้แต่วิธีนั่งที่ดีที่สุดก็คือนั่งขัดสมาธิคำถามข้อที่สองค่ะ อันนี้สงของบุญที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลการเจริญสมาธิเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับก็มีความสุขมางน้อยต่างกันการให้ทานก็สุขน้อยกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลก็น้อยกว่าการนั่งสมาธิเป็นเหมือนอความรู้ที่เราเรียนระดับต่าง ระดับประถมก็น้อยกว่าระดับมัธยมระดับมัธยมก็น้อยกว่าระดับอุดมศึกษาคำถามจากคุณอนัตตาค่ะข้อหนึ่งค่ะอัปปนาสมาธิกับอัปปนาฌาเหมือนหรือต่างกันเหมือนกันคนะ่ะคำว่าฌาคำว่าสมาธินี้ใช้แทนกันได้แปลว่าความสงบ่ะข้อสองค่ะ การเข้าถึงอัปปนาสมาธิกับการระลึกรู้อยู่ที่จิตผู้รู้เหมือนกันและต่างกันอย่างไรคะการระลึกรู้จิตอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมนี้เรียกว่ากําลังแสดงกําลังเจริญเหตุเพราะจิต ร, รวมเข้าสู่สมาธิแล้วก็เป็นผลขึ้นมาอันนึงเป็นเหตุอีกอันหนึ่งเป็นผลคําถามจากคุณรุ่งค่ะ พิสุกับพิกษุณีอยู่ในอาวาสเดียวกันได้หรือไม่ครับแถวบ้านผมมีพิษุณีอยู่ที่เดียวกันกับพิสุกครับคืออยู่ในวัดเดียวกันได้แต่ต้องแยกกันอยู่ไม่ได้อยู่ร่วมกันมีฝ่ายหญิงฝ่ายชายเหมือนที่วัดนี้ที่วัดป่าก็จะแยกพระอยู่ส่วนหนึ่งคารวะญาติโยมผู้หญิงอยู่ส่วนหนึ่งแบ่งเป็นโซนๆไปโซนพิกษุภิกษุณีครับไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันครับ นอกจากเวลามาทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกันถึงจะมาพบปะกันแต่ถ้าไม่มีกิจกรรมก็ต่างฝ่ายต่างอยู่กันเพราะเป็นเหมือนน้ามันกับไฟนั้นเอง <c oughs> เดี๋ยวใกล้กันแล้วเดี๋ยวไฟมันจะลุกขึ้นมาเดี๋ยวผ้าเหลืองจะกลายเป็นผ้าดำไปหมด <c oughs> <c oughs> หมดแล้วเลยเมื่อกี้มีใครอยากจะถามอะไรหรือเปล่าถามได้นะแต่ตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ เดี๋ยวแล้วประชุมแล้วก็อย่ามาถามนะเพราะหมดเวลาถ้าอยากจะถามก็กําลังเกียนข้อความอยู่แล้ว เ, เดี๋ยวรอเดี๋ยวพระภิกษุภิกษนุนี่ในสมัยพุทธกาลต้องอยู่กับภิกษุเพราะว่าต้องถือภิกษุเป็นครูเป็นอาจารย์จะทำํำต้องมีภิกษุคอยอบรมสั่งสอน เ, อเป็นเหมือนกับเป็นพี่พี่เลี้ยง แล้วพิกษุนีนี้อยู่ตามลำพังอันตรายเดี๋ยวพวกมิจฉาชีพมันรู้ว่ามีแต่ผู้หญิงเดี๋ยวมันก็ปีนกำแพงเข้ามาปั้มกันได้แต่ถ้ารู้ว่ามีพระผู้ชายอยู่มันก็เลยไม่กล้า ว, ว, ดด ว, วันเดียวกันแต่อยู่คนละโซนก็อาจจะมีบ้างหวังองค์อาจจะสลิปวักขึ้นมาก็ได้ <c oughs> <c oughs> คำถามจากผู้ฝากถามบนเขาค่ะฝันว่าเปรตมาขอส่วนบุญเราควรทำบุญแบบไหนคะก็ใส่บาตรถวายสังฆทานแล้วแต่เราจะสะดวกแล้วก็อุทิศบุญไปให้กับเขาไปมีเข้ามาอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าจ ะ, ะยุติการสนทนาธรรมไว้เพียงเท่านี้ ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิษ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ